ธรรมบทแปลเรื่องยามากะปาติหารภาคที่หเรื่องที่หนึ่งพระศาสดาทรงปรารพเทวดาและพวกมนุษย์เป็นอันมากที่พระทวารแห่งสังกสารนครตรัสพระธรรมเทศนาน้ว่าเยชานะปะสุตตาธีรา เนคคำมูปะสเมรตาเทวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสติมะตังแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราดควรขวายในฌานกินดีแล้วในธรรมะที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมกระยิม ต่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติก็เทศนาได้ตั้งขึ้นแล้วในกรุงราช จ, จุคฤืความพิสดารว่าสมัยหนึ่งเศรษฐีชาวกรุงราช จ, จุคฤืให้ขึงไขยมีสันตานคล้ายขวดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาอาบอนเป็นต้นที่หลุดไปด้วยความพลังเปลือแล้ว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 ถูกหินครูดสีถูกคลื่นน้ำชัดเป็นของเกลี้ยงเกลาลอยไปโดยลำดับอันสลายร่วบรัดมาติดที่ข่ายของเศรษฐีนั้นเศรษฐีจึงกล่าวถามว่านั่นอะไรได้ยินว่าเป็นปุ่มไม้จึงให้นําปุ่มไม้นั้นมาให้ถากด้วยปลายมีดเพื่อจะพิจารณาว่านั่นชื่ออะไร ในท่านใดนั่นเองจันแดงมีสีด่งครั้งสดก็ปรากฏก็เศรษฐียังไม่เป็นทั้งสัมมาทิฏฐิไม่เป็นทั้งมิจฉาทิฏฐิวางตนเป็นกลางเขาคิดว่าจันแดงในเรือนของเราก็มีมากเราจะเอาจันแดงนี้ทำอะไรเนาะแล้วที่นั่นเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็ในโลกนี้ พวกที่กล่าวว่าเราเป็นอรหันต์ก็มีอยู่มากเราไม่รู้จักพระอรหันต์แม้สักองหนึ่งเราจะให้ประกอบเครื่องกลึงไว้ในเรือนให้กลึงบาดแล้วใส่สาแรกห้อยไวในอากาศประมาณ60ศซอกโดยเอาไม้ไผ่ต่อกันขึ้นไปแล้วจะบอกว่าถ้าว่าพระอรหันต์มีอยู่จงให้มาทางอากาศแล้ว ถือเอาบาทใบนี้ผู้ใดจะถือเอาบาดนั้นได้เราพร้อมด้วยบุตรภรยาจะถึงผู้นั้นเป็นสารณะเขาจึงให้กลึงบาทในทานองที่คิดไว้นั่นแหละให้ยกขึ้นโดยเอาไม้ไผ่ต่อต่อกันขึ้นไปแล้วเล่าขึ้นว่าในโลกนี้ผู้ใดเป็นพระอาหารหันต์ผู้นั้นจงมาทางอากาศถือเอาบาทใบนี้ ตอนครูทั้งหอยากได้บาทไม้จันทร์ครูทั้งหกล่ากันว่าบาทนั้นสมควรแก่พวกข้าพเจ้าท่านจงให้บาทนั้นแก่พวกข้าพเจ้าเสดิดเศรษฐีนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านจงมาทางอากาศแล้วเอาไปเถิดก็ในวันที่หกนิกครนนาตบุตรทรงพวกอันเทวาสิกไปด้วยคำว่า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 แห่งของเพียงเล็กน้อยจงให้บาดแก่เราเถิดเศรษฐี่ันปุชเริญท่านต้องเหาะขึ้นไปทางอากาศแล้วถือเอาเถิดลำเหนือมันน่าจะบุตรจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงหลีกไปหลีกไปพวกอันเตวาสิกออกไปแล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าเราจะเหาะขึ้นในอากาศเดี๋ยวนี้ดังนี้แล้ว ก็ยกมือและเท้าขึ้นข้างหนึ่งที่นั้นพวกอันเตวาสิกเล่าวกับอาจารย์ว่าท่านอาชารท่านจะทําชื่ออะไรนั่นประโยชน์อะไรด้วยกุนที่ปกปิดไว้อันท่านแสดงแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาดไม้นี้แล้วช่วยกันจับนาตบุตรนั้นที่มือและเทา้าดึงมาให้ล้มลงบนแผ่นดินเขาบอกกับ เศรษฐีว่ามหาเศรษฐีอันตวาสิ่งเหล่านี้ไม่ให้หอกขึ้นไปท่านจงให้บาดแกเราเศรษฐีท่านผู้เจริญท่านต้องหอบขึ้นไปถือเอาเถิดพวกเดรตีแม้พยายามด้วยอาการอย่างนี้สิ้นหกวันแล้วยังไม่ได้บาดนั้นเลยตอนพระปินโธละภรัวาชะ แสดงปาฏิหาริย์ก็ในวันที่เจ็ดในการที่ท่านพระมหาโมกขลานะและท่านพระปินโทละปรัวาชะไปยืนบนหินดานแห่งหนึ่งแล้วห่มจุบอรด้วยตั้งใจว่าจะเที่ยวไปเพื่อบินธบาตในกรุงราชกฤกพวกนักเลงได้คุยกันว่าชาวเราเ อ, อ๋ยในการก่อน ครูทั้งหกกล่าวว่าพวกเราเป็นพระอรันในโลกก็เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชครุให้ยกบาทขึ้นไว้แล้วกล่าวว่าถ้าว่าพระอรันมีอยู่จงเหาะมาทางอากาศแล้วถือเอาเถิดก็วันนี้เป็นวันที่เจ็ดแม้สักคนหนึ่งชื่อว่าเหาะขึ้นไปในอากาศด้วยแสดงตนว่าเราเป็นพระอรันแล้วก็ไม่ได้มีวันนี้ พวกเรารู้ความที่พระอรหันต์ไม่มีใ น, นโลกแล้วดังนี้เมื่อท่านพระมหาโมคลณนะได้ยินถ้อยคํานั้นแล้วจึงกล่าวกับท่านพระปิณนโละพระทวาชาว่าท่านพรทวาชะท่านได้ยินถ้อยคําของพวกนักเลงเหล่านี้ไหมพวกนักเลงเหล่านี้พูดเป็นทีว่าจะย่ายีพระพุทธศาสนาก็ท่านมีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากท่านจงไปเถิดจงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาทใบนั้นท่านปิณทรพระพรถวชะจึงได้กล่าวว่าท่านอาวุโสโมขลานะท่านเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาสาวกผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านจงถือเอาบาทนั้นแต่เมื่อท่านไม่ถือเอาผมจะถือเอาก็เมื่อพระมหาโมคลานะ กลาวอย่างนี้ว่าท่านพระทวชะท่านจงถือเอาเถิดท่านปินโตละพระทวชะจึงเข้าชานที่สมีอภิญญาเป็นบาทฐานออกจากสมาธิแล้วเอาปลายเทา้าขีบหินดานมีขนาดประมาณสาม่าวุธให้ขึ้นไปในอากาศเหมือนปุยนุ่นแล้วหมุนเวียนไปในเบื้องบนพระตะกอราชจุกฤ ครั้งหินด่านนั้นปรากฏดังฟ้าครอบพนักคไว้ประมาณสามข่าวุธพวกชาวพนักคกลัวร้องกันว่าหินจะตกทับข้าพเจ้าจึงทำเครื่องกัน้นมีกระด้งเป็นต้นไว้บนกระหม่อมแล้วซุกช่อนในที่นั้ น, น, นในวาระที่เจ็ดพระเถระทำลายหินด่านแสดงตนแล้ว มหาชนเห็นพระเทเรแล้วกล่าวว่าท่านปินโทรภารัวาชะผู้เจริญท่านจงจับหินของท่านไว้ให้มั่นอย่าให้พวกข้าพระชาทั้งหมดพินาศเฉยเลยพระเทระเอาปลายเทา้าเวี่ยงหินทิ้งไปแผ่นหินนั้นไปตั้งอยู่ในที่เดิมนั่นเองพระเทรรได้ยืนอยู่ในที่สุดแห่งเรือนของเศรษฐี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 ลำดับนั้นจนเหล่าใดที่อยู่ในป่าบ้างที่อยู่ในบ้านบ้างไม่เห็นปาฏิหาริของพระเทระชนเหล่านั้นประชุมกันแล้วก็วิ่งบอลพระเทระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงแสดงปาฏิหารแม้แก่พวกผมดังนี้แล้วก็พากันติดตามพระเทระไปพระเทระนั้น แสดงปาฏิหาริ์แก่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นพลางได้ไปยังพระวิหารแล้วตอนพระาศาสดาทรงห้ามไม่ให้ภิกษุทำปาฏิหาริ์พระาศาสดาสดับเสียงแห่งมหาชนที่ติดตามพระเถระนั้นอื้ออึงอยู่จึงตรัสถามว่าอนุนนั่นเสียงใครท่านพระอนุนตอบว่า แต่พระองค์ผู้เจริญพระปินโทละพารทวาชอเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วถือเอาบาดไม้ชันนั่นเสียงในสำนักของท่านพระศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกพระปินโทละพารทวาชมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือท่านพรัวาชาจึงกราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้า พระผู้มีรพระภาคพระราชะทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นและได้ทรงตีเตียนพระเถระแล้วรับสั่งให้ทำลายบาทนั้นให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วรับสั่งให้ประทานแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่อันบทผสมยาหยาตาแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลาย เพื่อต้องการไม่ให้ทำปาธิหารฝ่ายพวกเดรตีได้ยินว่าทราบว่าพระสมณโคดมให้ทำลายบาสนั้นแล้วทรงบัญญัติศิกขาบทแก่พวกสาวกทั้งหลายเพื่อต้องการไม่ให้ทำปาธิหารนันนี้แล้วจึงเที่ยวบอกกันในถนนในพระนกรว่าสาวกทั้งหลายของพระสมณโคดมไม่ก้าวล่วงศิกขาบท ที่ทรงบัญญัติแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตถึงพระสมณโคดมก็จะรักษาสิกขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นเหมือนกันบัดนี้พวกเราได้โอกาสแล้วแล้วก็กล่าวขึ้นอีกว่าพวกเรารักษาคุณของตนจึงไม่แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาดไว้ในการกรนแต่เหล่าสาวกของพระสมณโคดมแสดงคุณของตน แก่มหาชนพระเหตุแห่งบาทพระสมณโคตมรับสั่งให้ทำลายบาทนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่เหล่าสาวกเพราะพระองค์เป็นบัณฑิตบัดนี้พวกเราจะทำปาฏิหารกับพระสมณโคตมนั่นแลพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วจึงเสด็จไปยังสำนักของพระศาสดากราบทูลขึ้นมา กะแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติสีขาบทแก่เหล่าสาวกเพื่อต้องการไม่ให้ทาปาฏิหาริย์เสียแล้วหรือพระสัสดาข้อนั้นถูกแล้วมหาปภิษพระราชาก็ในบัดนี้พวกเดรัจฉีพากันกล่าวว่าพวกเราจะทำปาฏิหาริย์กับด้วยพระองค์ก็ในบัดนี้พระองค์จะทรงทำอย่างไรพระสัสดา ก็เมื่อเดรตีเหล่านั้นกระทำอารามภาพก็จะกระทํามหาประพิธพระราชาก็พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเวลาไม่ใช่หรือพระศาสดามหาประพิธอารามภาพไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเพื่อตนสิกขาบทนั้นนั่นและอารามภาพบัญญัติไว้เพื่อสาวกทั้งหลายพระราชาเป็นนั้นว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท แกสาวกทั้งหลายเหล่าอื่นยกเว้นพระองค์หรือพระชก้าพระศาสดามหาปิฏถ้าเช่นนั้นอัตมาภาพจะย้อนถามพระองค์นั่นแหละในรเรื่องนี้มหาภิฏก็พระอุทยานในแว่นแหวนของพระองค์มีอยู่หรือพระราชามีอยู่พระชก้าพระศาสดามหาปิฏถ้ว่ามหาชนพึงบริโภคผลไม้ เป็นต้นว่าผลมะม่วงในอุทยานของพระองค์พระองค์จะทรงทำอย่างไรพระราชาข้าพระองค์ก็จะพึงลงอาจญาพระชก้าพระศาสดาก็พระองค์ย่อมเสวยได้หรือพระราชาได้พระชก้าพระอาจญาย่อมไม่มีแก่หม่อมฉันหม่อมฉันย่อมได้เพื่อเสวยของของตนพระศาสดามาประพิษอาจญาแม้ของอนามภาพ ย่อมแผ่ไปในแสนโกดจักรบาลเหมือนราชอาทยาของพระองค์ที่แผ่ไปในแว่นแคว้นประมาณสามรอยยศอาทยาไม่มีแก่พระองค์ผู้สวยผลไม้ทั้งหลายเป็นต้นว่าผลมะม่วงในพระอุทยานของพระองค์และมีอยู่แก่ชนเหล่าอื่นขึ้นชื่อว่าการก้าวล่วงบัญญัติคือสิกขาบทย่อมไม่มีแก่ตน แต่ย่อมมีแก่สาวกเหล่าอื่นอารมาภาพจึงจะทําปาธิหารก็เมื่อพว้เดรัตถีฟังไ้อยคำนั้นแล้วจึงได้ปรึกษากันว่าปัจบันนี้พวกเราชิพหายแล้วได้ยินว่าพระสมณโคตรทรงบัญญัติสิขาบทเพื่อเหล่าสาวกเท่านั้นไม่ทรงบัญญัติไว้เพื่อตนได้ยินว่าท่านปรารถนาจะทำปาริหารเองทีเดียว พวกเราจะทำอย่างไรกันเล่าพระราชาจึงทูลถามพระาศาสดาว่าเมื่อไรพระองค์จะทรงทาปาฏิหาริย์พระเจ้าขพระาศาสดามหาบพิษโดยล่วงไปอีกสี่เดือนต่อจากนี้วันเพ็ญเดือน8จะกระทาพระราชาพระองค์จะทรงกระทมที่ไหนพระเจ้าขพระศัสดาอัตมาภาพจะอาศัยเมืองสาวัตถีธรรมมหาบพิษ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 ยอมหนีไปพวกเราไม่ให้พระสมณโคดมนั้นหนีจึงติดตามไปดังนี้พระสัสดาสเสด็จที่เอาไปบินาบาตในกรุงราชกฤรึกออกมาแล้วถึงพวกเดรัถีก็ออกมาข้างหลังของพระองค์นั่นแหละอยู่ใกล้ที่ ท, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำพัฒกิจในวันรุ่งขึ้นพวกเดรัถี บริโภคอาหารเช้าในที่ที่ตนอยู่แล้วในฤาติเหล่านั้นผู้พวกมนุษย์ถามว่านี่อะไรกันจึงบอกโดยนยัยแห่งคำที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแหละฝ่ายมหาชนคิดว่าพวกเราจะดูปาฏิหารณในนี้แล้วก็ได้ติดตามไปพระศาสดา บ, บรรลุถึงนครสาวัตถีโดยลำดับ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 พวกเดชท่ให้ทําบุญดบแล้วพระเจ้าข้าแม้ข้าพระองค์จะให้ทําบุญดบเพื่อพระองค์พระศัสดาอย่าเลยมาหาบพิษผู้ทําบุญดบของอธตมภาพมีอยู่พระราชาคนอื่นใครเล่าเว้นข้าพระองค์เสียจะอาจทําได้พระเจ้าข่าพระศัสดาท้าวสกัดเทวราชพระราชาก็พระองค์จะทรงทําปาฏิหาริย์ที่ไหนเล่าพระเจ้าข้า พระศาสดาที่กวงไม้คันธามะพรึกมาประพิษเมื่อพวกเดรรทีได้ยินว่าได้ข่าวว่าพระสมณโครมจําปาฏิหารที่กวงไม้มะม่วงจึงบอกผู้อุปถักของตนให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆโดยที่สุดแม่งอกในวันนั้นในที่ระหว่างโยนหนึ่งแล้วให้ไปทิ้งในป่า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 แล้วเขาย่ำมะม่วงสุกผล น, นั้นทำให้เป็นน้ำปานะถวายพระศาสดาสเสวยน้ำปานะผลมะม่วงแล้วจึงตรัสกับนายคันธาว่าคันธะเธอจงคุ้ยดินร่วนขึ้นแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงในที่นี้นี่แหละดังนี้และเขาก็ได้ทำอย่างนั้นแล้วพระศาสดาทรงลางพระราช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 ไว้ด้วยพระตำรัสว่าใครๆอย่าตัดต้นมะม่วงนั้นก็ต้นมะม่วงนั้นพระกฏชื่อว่าคันธ่ามะปรึกเพราะความที่ไหนคันท่าปลูกไว้แม้พวกนักเลงที่เกี้ยวกินผลมะม่วงสุกก็กล่าวกันว่าเจ้าพวกเดรธีถอยเว้ยพวกเจ้ารู้ว่าพระสมณโคดมจะทรงทำปาฏิหาร ที่โคนต้นคันธามาพรกจึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆแม้ที่เกิดในวันนั้นในภายในที่ดินโยอดหนึ่งต้นมะม่วงนี้ชื่อว่าคันธามาพะแล้วเอาเม็ดมะม่วงที่เป็นเดนประหารคือคว้างไปทางพวกเดรตีเหล่านั้นเท้าสักกะทรงรับสั่งว่าตะเวลาหกเดียวบุตรคือเทพเจ้าแห่งลม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 ด้านปัจจิมาทิตพระศาสดาเมื่อบริษัทมีประมาณ36โยต์ประชุมกันแล้วในเวลาบ่ายเสด็จออกจากพระกันท ก, กุฎีด้วยทรงดำริว่าบัดนี้เป็นเวลาทำปาฏิหาริย์และได้ประทับยืนที่หนามุกตอนสาวกสาวิการับอาสาทำปาฏิหาริย์แทนกรนั้น อานาคามีอุบาสิกาคนหนึ่งผู้เป็นมารดาของนันทามานบชื่อการณีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อทิดาเช่นหม่อมฉันมีอยู่กิจที่พระองค์ต้องลำบากย่อไม่มีหม่อมฉันจะทำปาธิหารพระศาสดาคารณีเธอจะทำอย่างไรการณีข้แต่พระองค์ผู้เจริญ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 ฝพระสัสดาทรงดำรีว่าคุณของสาวกเหล่านั้นจะปรากฏด้วยอาการอย่างนี้แหละทรงสำคัญอยู่ว่าพวกสาวกจะบลือศรีนาฏณท่ามกลางบริษัทมีประมาณ36โยดด้วยอาการอย่างนี้จึงตรัสถามสาวกแม้พวกอื่นว่าพวกเธอจะทำปฏิหารอย่างไรสาวกเหล่านั้น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 แล้วจะกล่าวกันเองว่าในยะว่านี้ชื่อว่าเป็นเสียงการปรบดังพรมของท่านจุลอาณาถบิณฑิกะพวกเดรธีจะคิดว่าอนุภาพของกระาบดียังถึงเพียงนี้ก่อนอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จะหนีไปดังนี้พระาศาสดาก็ได้ตรัสเช่นนั้นเหมือนกันแม้แกท่านจุล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 วีราเธอจะทำอย่างไรวีราถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันจะนำภูเขาศินเนรุภูเขาจักรวาลและภูเขาหิมะพานนั่งเรียงไว้ในที่นี้แล้วจะออกเอาภูเขานั้นๆไปไม่ขัดข้องดุดนางหงมหาชนเห็นหมอมฉันแล้วจะถามว่านั่นใครแล้วจะกล่าวว่าวีราสามนเณรีพวกเดรธี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 เธอจะทําอย่างไรจุนทะสามเณรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะ จ, จับต้นว่าใหญ่ที่เป็นธงแห่งจัมปูจพีที่ลําต้นแล้วเขยา่านําผลว่าใหญ่มาให้บริษัทนี้เคี้ยวกินและข้าพระองค์จะนําผลดอกแค่ฝอยมาแล้วถวายบังคมพระองค์พระศ า, าสดาตรัสว่าจุนทะเราทราบอนุภาพของเธอ ดังนี้แล้วก็ทรงห้ามการทำปาฏิหาริแม้ของสามเณร น, น, นั้นลำดับนั้นพระเทรีชื่ออุบบนวันนาถวายมงคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันจะทำปาฏิหา ร, พราิพระเจ้าพระศาสดาเธอจะทำอย่างไรอุบบนวันนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะแสดงบริษัทมีประมาณหนึ่งโยดโดยรอบ ให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันบริสัทธ์มีมนทนประมาณส6บกโยศแวดล้อมแล้วมาถวายบังคมพระองค์พระศาสดาตรัสว่าอุบลบรรณาเราทราบอนุภาพของเธอแล้วก็ทรงห้ามการทำปฏิหารแม้ของพระเทรีนั้นลำดับนั้นพระมหาโมกขลานะเทระ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 การที่ผู้สามารถนำธุระของเราไปได้ไม่พึงมีในบัดนี้ไม่เป็นของอัศจรร์แม้ในการที่เราเกิดในกำเนิดสัตว์เดรฉ า, านที่เป็นอเหิตุกำเนิดผู้อื่นที่สามารถนำธุระของเราไปก็ไม่ได้มีแล้วเหมือนกันอันพระเตระทูลถามว่าในการไรพระเจ้าข้าจึงทรงนำอดีตนิทานมา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 ได้ตรัตนันทวิสารชาดกนี้ให้พิสดารดังนี้ว่าบุคคลพึงกล่าวคำเป็นที่ปอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำไม่เป็นที่ปอใจในการไหนๆเพราะเมื่อพรามกล่าวคำเป็นที่ปอใจอยู่โคนันทวิสารเข็นพาระอันหนักไปได้ยังพรามนั้นให้ได้ซั์ และปรามนั้นได้เป็นผู้มีใจเบิกบานเพราะการได้ศัพท์นั้นก็แลพระศาสดาตรัสแล้วจึงเสด็จขึ้นสู่ทางจงกรมแก้วนั้นข้างหน้าได้มีบริษัทประมาณ12โยชนยข้างหลังข้างซ้ายและข้างขวาก็เหมือนอย่างนั้นส่วนโดยตรงมีประมาณ24โยชน์ย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำยะมะกกปาฏิหารในถ้ำกลางบริษัทยะมะกกปาฏิหารนั้นบัณฑิตพึงทราบตามพระบาลีอย่างนี้ก่อนตอนลักษณะของยะมะกกปาฏิหารยานในยะมะกกปาฏิหารของพระตถาคต น, นเป็นอย่างไรในยานนี้พระตราคต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 แตช่องประกันเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่ประกันเบื้องซ้ายซายน้ำไหลออกแต่ประกันเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระนาศิกเบื้องขวาซายน้ำไหลออกแต่พระนาศิกเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระนาศิกเบื้องซ้ายซายน้ำไหลออกแต่ช่องพระนาศิกเบื้องขวา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 ท่อไฟพุ่งออกแต่ปราดเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่ประรัตเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระปรัตคือสีข้างเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่พระปรัตคือสีข้างเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่พระปรัตเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่พระปรัตเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระบาทเบื้องขวา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 ย่อมทรงจงกรมประทับ น, นั่งหรือทรงสำเร็จสีหาสายยาพระพุทธนารมิตรประทับนั่งพระพุทธเจ้าย่อมทรงจงกรมประทับยืนหรือสำเร็จสีหาสายยาพระพุทธนารมิตรสำเร็จสีหาสายยาพระผู้มีพระภาคย่อมทรงจงกรมประทับยืนหรือประทับนั่ง น, นี้เป็นญาณในยมกะปาฏิหาร ของพระตถาคตก็พระศาสดาเสด็จจงกรมบนที่จงกรมนั้นได้ทรงทำปาฏิหาริย์นี้แล้วพระสารีบุตรเทรัจึงกล่าวว่าเหติมะกายโตอุปริมะกายโตเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นท่อไฟย่อมพุ่งออกแต่พระกายเบื้องบนด้วยอำนาจเตโชกสินสมาบัติ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 สายน้ำก็ไม่ได้เจือด้วยท่อไฟก็ใ น, นยะว่าท่อไฟและสายน้ำทั้งสองนี้พุ่งขึ้นไปจนถึงปรมโลกแล้วก็พวยพุ่งไปที่ขอบปากจักวรวาลก็เพราะเหตุที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่าชั้นนั่งวัน น, นั่งพระรัมีพันนะหกประการของพระศาสดานั้นพุ่งขึ้นไปจาก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 ในเวลาที่พระพุทธเนรมิตรจงกรมพระผู้มีพระภาคก็ทรงสำเร็จพระอียาบทมีการทรงประทับยืนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งและเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นพระธรรมสังคากาจาย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าพระพุทธเนรมิตรย่อมจงกรมบ้างเป็นต้นถ้ามาพิสมัยได้มีแก่สัตว์20สโกฏ ในสมาคมนั้นพระเห็นปฏิหารของพระาศาสดาผู้ทรงทำอยู่อย่างนั้นและพระได้ฟังธรรมกถาตอนพระาศาสดาเสด็จจำพรรษาในชั้นดาวดึงพระาศาสดากำลังทรง ท, รงทำปฏิหารอยู่นั่นแหละทรงราพึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายทำปฏิหารนี้แล้ว จำพรรษาที่ไหนนอแลเมื่อทรงเห็นว่าจำพัรษาไหนพบดาวดึงแล้วทรงแสดงอภิธรรมปิดกแกพระพุทธมารดาดังนี้แล้วทรงยกพระบาทขวาเยียบเหนือยอดภูเขายุคขันธรทรงยกพระบาทอีกข้างหนึ่งเยียบเหนือยอดเขาสิเีเนรุวาระที่ย่างพระบาท ามได้มีแล้วในที่68แปดสนโยน์อย่างนี้ช่องพระบาทสองช่องได้ห่างออกเช่นเดียวกันกับการย่างพระบาทตามปกติใครๆไม่พึงกำหนดว่าพระาศาสดาทรงเหยียดพระบาทเหยียบแล้วเพราะในเวลาที่พระองค์ทรงยกพระบาทนั่นแหละผู้เขาเหล่านั้น ก็มาสู่ที่ใกล้พระบาทรับไว้แล้วในเวลาที่พระศาสดาทรงเหยียบแล้วผู้เขาเหล่านั้นก็ตั้งประดิษฐานในที่เดิมท้าวสักกะทอดประเนตรเห็นพระศาสดาแล้วทรงน้หรีว่าพระศาสดาจะทรงเข้าจำบัญญานี้ในท่ามกลางบรรทุกกรรมลศิลาอุปการะ จะมีแก่เราเทพพยาดามากเนอแต่เมื่อพระาศาสดาทรงจำปรรษาที่นั่นเทพพยาดาอื่นๆจะไม่อาจวางมือไว้ได้ก็แลบรรทุกกำพลศิลานี้ยาวห0สิโยชน์กว้างห้าสิบโยชน์หนาส5บห้าโยชน์แม้เมื่อพระาศาสดาประทับนั่งแล้วก็งคงคล้ายกับว่างเปล่า พระศัสดาทรงทราบอัธยาศัยของเท้าเธอทรงโยนสังคติของพระองค์ไปให้กลุ่มพื้นศิลาแล้วเท้าสักะทรงนำรีว่าพระศัสดาทรงโยนจีวรมาให้กลุ่มไว้ก่อนก็พระองค์จะประทับนั่งในที่นิดหน่อยด้วยพระองค์เองอย่างนี้ พระศาสดาทรงทราบอัตยาใสของเท้าเธอจึงประทับนั่งทำบรรทุกคำผลศิลาไว้ภายในขนดจีวร น, นั่นเองพระหนึ่งภิกษุผู้ทรงผ้ามหาบังสกุลทำต่างเตี้ยๆไว้ภายในขนดจีวรฉะนั้นขณะนั่นเองแม้มหาชนแลดูพระศาสดาอยู่ก็มิได้เห็น การนั้นได้เป็นประหนึ่งเวลาพระจันทร์ตกและเป็นเหมือนเวลาพระอาทิตตกมหาชนคร่ำครวญด้วยกาถานี้ว่าพระศาสดาเสด็จไปสู่เขาจิตกูดหรือเขาไกรลาดหรือเขายุคขันธรเราทั้งหลายจึงไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้โลกเชิดผู้ประเสริฐกว่านระดังนี้ อีกพวกหนึ่งคร่ำครวญว่าชื่อว่าพระศาสดาทรงยินดีแล้วในวิเวกพระองค์จะเสด็จไปสู่แคว้นอื่นหรือชนบทอื่นเสียแล้วพระทรงลายว่าเราทำปฏิหารเห็นป่านนี้แก่บริษัทเห็นป่านนี้บัด น, นี้เราทั้งหลายคงไม่ได้เห็นพระองค์หนังนี้แล้วก็กล่าวคาถานี้ว่าพระองค์ผู้เป็นปาฏ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 ด้วยมุ่งหมายว่าคุณแม่ของสาวกอื่นๆจงปรากฏดังนี้ชนเหล่านั้นถามพระเทระอย่างนั้นว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนกรับพระนุรุทธะเสด็จไปจำปรรสาที่บรรทุกกำพลศิลาในภพดาวดึงแล้วทรงแสดงอภิธรรมปิดกแก่พระมารดามหาชน แล้วจะเสด็จมาเมื่อไหร่ขอรับพระนุรุตะทรงสแสดงอภิธรรมพิดกตลอดสามเดือนแล้วจะเสด็จมาในวันมหาปวารณาส่วนเหล่านั้นพูดกันว่าพวกเราไม่ได้เห็นพระศาสดาจะไม่ไปดังนี้แล้วก็ทำที่พักอยู่ในที่นั้นนั่นเองได้ยินว่าส่วนเหล่านั้นได้มีอากาศนั่นเอง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 แก่บริษัทนั้นชุละอนาถบินทิกะจะให้อาหารเพราะเหตุ น, นั้นชุละอนาถบินทิกะแลได้ให้แล้วซึ่งข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวของหอมระเบียบและเครื่องประดับแก่บริษัทนั้นทุกเวลาทั้งเช้าและเย็นตลอดไตรามาสนั้นพระบาาโมกลานะแสดงทำแล้ว วิสัชนาปัญหาที่เหล่าชนผู้มาแล้วมาแล้วเพื่อดูปาฏิหาริย์ถามแล้วตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภัยโรธล่วงเหล่าเทวดาเทวดาในหมื่นจักรวาลแวดล้อมแมพระศาสดาผู้ทรงจำพรรษาที่บรรทุกคำผลศิลาเพื่อทรงสแสดงอภิธรรมแก่พระมารดา เหตุนั้นพระธรรมสังากาจารย์จึงกล่าวว่าในการใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดบุรุษประทับอยู่เหนือบันทุกคำพลศิลานะวงไม้ปาริฉัตตกะในภพดาวดึงในการนั้นเทพ ย, ยดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุประชุมพร้อมกันแล้วเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประทับอยู่บนยอดเขาเทพยาดาองค์ไหนๆที่หาภัยโรดกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวันณนะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นย่อมภัยโรดล่วงปวงเทพยาดาทั้งหมดก็เมื่อพระศาสดานั้นประทับนั่งคราบงามเทพยาดาทุกหมู่เหล่าด้วยรัศมี พระสรีระของพระองค์อย่างนี้พระพุทธมารดาเสด็จมาจากวิมานจันดุสิ์ประทับนั่งณนะพระป ร, ะรัชตคือสีข้างเบื้องขวาแม้อินทกะเทะบาุตก็มานั่งณนะพระป ร, ะรัชเบื้องขวาเหมือนกันอังกุระเทปะบปุตมานั่งณนะพระป ร, ะรัชตเบื้องซ้ายอังกุระเทะบุตนั้น เมื่อเทพ ย, ายดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่ประชุมกันร่นออกไปแล้วได้โอกาสในที่มีประมาณสิบสองโยต์อินท ก, กะเทพบุตรนั่งในที่นั่นเองพระศาสดาทอดพระเนตรดูเทพบุตรทั้งสองนั้นแล้วมีพระประสงค์จะยังบริษัทให้ทราบความที่ทาน อันบุคคลถบายแล้วแกทักกิณียาบุคคลในศาสนาของพระองค์เป็นกุศลมีผลมากจึงตรัสอย่างนี้ว่าอังกุระเธอทำแถวเตาไฟยาวสิบสองโยดให้ทานเป็นนันมากในการประมาณหมื่นปีซึ่งเป็นระยะการนานบัดนี้เธอมาสู่สมาคมของเรา ได้โอกาสในที่ไกลตั้ง12บสองโยศซึ่งไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมดอะไรหนอแลเป็นเหตุในข้อนี้แต่จริงพระธรรมสังฆากาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระสัมพุทธเจ้าทอดพระเนตรอังกุระเทพบุตรและอินทกระเทพบุตรแล้วเมื่อจะทรงยกย่องทักกิเนยยบุคคล ได้ตรัสพระพุทธพธนี้ว่าอังกุระเธอให้ทานเป็นอันมากในห่วงการนานเธอเมื่อมาสู่สำนักของเรานั่งเสียไกลลิบตอนพระาศาสดาตรัสได้ยินถึงมนุษยโลกพระสุรเสียงนั้นดังถึงพื้นปัตตพีบริษัททั้งหมดนั้นได้ยินพระสุรเสียงนั้น เมื่อพระาศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้วอังกุรทิพปบุตรอันพระาศาสดาผู้มีพระองค์อันอบรมแล้วตรัสเตือนแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าทานอันว่างเปล่าจากทักขิณนยัก บ, บุคคลจะมีประโยชน์อะไรแก่ข้าพระองค์ยักษชื่ออินทกะนี้นั้นถวายทานแล้วนิดหน่อยอยังรุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์ ดุดพระจันทร์ในหมู่ดาวหนังนี้ก็ในบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าทัชชาแก่เป็นทั ต, ตวาแปลว่าให้แล้วเมื่ออังกุรเทพประบรุกราบทุนอย่างนั้นแล้วพระาศาสดาตรัสกับอินตะกะเทพประบุว่าอินตะกะเธอนั่งข้างขวาของเราเ่ไห น, นจึงไม่ต้องร่นออกไปนั่งเล่า อินทกาเทพบุตรกราบถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ทักขีนในยะสมบัติแล้วดุจชาวนาหวานพืชนิดหน่อยในนาดีดังนี้แล้วเมื่อจะประกาศทักขีนในยะบุคคลจึงกราบถูลว่าพืชแม้มากอันบุคคลหวานแล้วในนาดอนผลย่อมไม่ไพ่บุญทั้งไม่ยังชาวนาให้ยินดี ฉันใดทานมากมายอันบุคคลตั้งไว้ในหมู่ชนผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไั่บุญทั้งไม่ยังทายกให้ยินดีฉันนั้นเหมือนกันพืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหวานแล้วในานาดีเมื่อฝนหลังสายน้ำถูกต้องตามการผลก็ย่อมอยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใดเมื่อสาการะ แม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีลผู้มีคุณคงที่ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้ฉะนั้นเหมือนกันดังนี้ตอนทานที่ให้ในทักขีนิยบุคคลมีผลมากถามว่าบุรพกรรมของอินทกะเทศประบุตรนั้นเป็นอย่างไรแก่ว่า ได้ยินว่าอินตะกะเทพบุตรนั้นได้ให้ถวายภิกษุทะพีหนึ่งที่เขานำมาแล้วเพื่อตนแก่พระอนุรุธทธเทระผู้เข้าไปบินตาบาดไปในหมู่บ้านบุญของเธอนั้นมีผลมากกว่าทานที่อังกุระเทพบุตรทำแถวเตาไฟยาวตั้งสิบสองโยตให้แล้วตั้งหมื่นปี เพราะเหตุนั้นอินตกะเทปบุตรจึงกราบทูนอย่างนั้นเมื่ออินตกตะเทปบุตรกราบทูนอย่างนั้นแล้วพระศาสดาตรัสว่าอังกุระการเลือกเสียก่อนแล้วให้ทานจึงควรทานนั้นย่อมมีผลมากด้วยอาการอย่างนี้ดุดพืชที่เขาหวานดีในดาดีฉะนั้นแต่เธอหาได้ทำอย่างนั้นไม่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 ที่มีอยู่ในโลกคือหมูสั์ที่ยังเป็นอยู่นี้มีผลมากเหมือนพืชที่บุคคลวานแล้วในนาดีฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงทำให้ยิ่งขึ้นไปจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่านาทั้งหลายมียาเป็นเรื่องประตุสรายหมูสั์นี้มีราคะเป็นเรื่องประตุสราย ไรเหตุนั่นและทานที่บุคคลให้แล้วในท่านที่มีราคะไปปราดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีญ้าเป็นเครื่องประตุษรายมูสา น, นี้มีโทสะเป็นเครื่องประตุษรายไระเหตุนั่นและทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีโทสะไปปราดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมาก นาทั้งหลายมีญ้าเป็นเครื่องประตุสลายมูสัตว์นี้มีโมหะเป็นเครื่องประตุสลายเพราะเหตุนั่นแหละทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีโมหะไปปราดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีญ้าเป็นเครื่อง ป, ประตุสลายมูสั <buzzer. S 1> ตว์นี้มีความอยากเป็นเครื่องประตุสลาย ประเหตุ น, นั้นแลท่านที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีความอยากไปปราดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมากดังนี้ในการจบเทสนาอังกุระเทพประบุตรและอินทกะเทพประบุตรดำรงอยู่แล้วในโซดาปฏิผลธรรมเทสนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้วตอนพระาศาสดาเสด็จ ไปโปรดพระมารดาในชั้นดาวดึงลำดับนั้นพระศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางเทวบริษัททรงปรารบพระมารดาเริ่มตั้งอภิธรรมปิดกว่ า, า, า, ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากระดาธรรมาแปลว่าทำเป็นกุศลทำมะเป็นอกุศลทำเป็นอัิญยากริ เป็นต้นทรงแสดงอภิธรรมพิดกโดยในยะนี้เรื่อยไปตลอดสามเดือนก็แลทรงแสดงธรรมอยู่ในเวลาพิคขาจารย์ทรงเนรมิตรพระพุทธเนรมิตรด้วยทรงอธิฐานว่าพุทธเนรมิตรนี้จงแสดงธรรมชื่อเท่านี้จนกว่าเราจะมาแล้วเสด็จไปป่าหิมพาน ทรงเขียวไม้สีฝันชื่อนาคาตาบวนพระโอษ์ที่สา น, นดาษนำบินบาบมาแต่อุตรกุรุทวีปได้ประทับนั่งทำปัฒกิจในโรงกว้างใหญ่แล้วพระสารีบุตรเทระไปทำวัดแด่พระาศาสดาในที่นั้นพระาศาสดาทงรงทำพัฒกิจแล้วตรัสแก่พระเทรว่าสารีบุตร วันนี้เราพาสิทธรรมะชื่อเท่านี้เธอจงบอกแก่ภิกษุ500นิสิตของตนได้ทราบว่ากุลบุตรห0 0เลื่อมใสยมะกะปฏิหารบวชแล้วในสำนักของพระเถรักพระศาสดาตรัสแล้วอย่างนั้นทรงหมายเอาภิกษุเหล่านั้นก็แลครันตรัสแล้วเสด็จไปสู่เทวโลก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 ก็ทรงแสดงอภิธรรมโดยทํานองนั้นแหลตลอดสามเดือนนั้นในการจบเทศนาธรรมาพิสมัยได้มีแก่เทวดาแปดมื่นโกดแม้พระมหามายาก็ตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิผลตอนพระโมกขลานะเทระขึ้นไปทูลถามข่าวเสด็จลงบริษัท มีปริมณฑลสา6สิบหโยศแม้นั้นแหละคิดว่าในบัดนี้ไปในวันที่เจ็จะเป็นวันมหาปวราัรนาวนเหล่านั้นจึงเข้าไปหาพระมหาโมกขลานาเทระแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าควรจะทราบวันเสด็จลงของพระศาสนาเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เห็นศาสดาแล้วจะไม่ไปท่านพระ มหาโมกขระนะฟังถ้อยคำนั้นแล้วรับว่าดีละแล้วดำลงในแผ่นดินตรงนั้นเองอธิษฐานว่าบริษัทจงเห็นเราผู้ไปถึงเชิงเขาซิเนรุแล้วขึ้นไปอยู่มีรูปปรากฏดุจได้ํำพลเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้มนีเทียวขึ้นไปแล้วโดยท่ามกลางเขาซิเนรุดังนี้แม้พวกมนุษ ก็เห็นท่านว่าขึ้นไปแล้วหนึ่งโยน์ขึ้นไปแล้วสองโยต์เป็นต้นแม้ปารเตร ะ, ระขึ้นใบถวายบังคมพระบาทยุคนของพระาศาสดาดุดเทินไว้ด้วยเสียงกล่าวกราบทูลอย่างนั้นว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วไปพระองค์จะเสด็จลงเมื่อไรพระาศาสดาโมกขลนะก็าสาริบุตร พี่ของเธออยู่ที่ไหนพระมหาโมกกลนะขระแตพระองค์ผู้เจริญท่านจำพรรษาอยู่ในสังกสารนครปัชชก้าพระศระสัสดาโมกกลนะในวันที่เฉยแต่วันนี้ไปเราจะลงที่ประตูเมืองสังกัสะในวันมหาปรวรณาผู้ใครจะพบเราก็จงไปที่นั่นเถิดก็แล้สังกสารนครห่างจากกรุงสาวัตถี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 บอกตามรับสั่งพระาศาสดาเสด็จจำปรรษาภาวณาแล้วตรัสบอกแก่เท้าสักกะว่ามาบพิษอาตมาภาพจะไปสู่ถิ่นของมนุษย์เท้าสักกะทรงนรมิตบันได3สามชนิดคือบันไดทองคำบันไดแก้วมณีบันไดเงินเชิงบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่แล้ว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 และเมื่อจะท่งแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าพระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราดขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบคือเนคัมะแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมกระยิมต่อพระสัมพุทธเจ้าผู้มีสติเหล่านั้นบาลีว่า เยชานปะสุตาติราเนคขมูปะสเมระตาเทวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสติมะตังก็ในบรรดาคำเหล่านั ad, aa, ้นคำว่าเยชานปะสุตาแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดควนขวายในฌานหมายความว่าประกอบแล้ว ขวรกวายแล้วในฌานสองอย่างเหล่านี้คือลักคนูปนิชฌานและอารัมมะนูปนิชฌานด้วยการนึกการเข้าการอธิษฐานการออกและการพิจรารณาบรรพชาอันผู้ศึกษาไม่พึงถือว่าในคมะในคำว่าเนคขมูปปสะเมรตาแปลว่า ยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบคือเนคขมะนี้ก็คาว่าเนกขมะนั่นพระองค์ตรัสหมายเอาความยินดีในนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลสคาว่าเทวาปิแปลว่าแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมายความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมคือปรารถนาต่อพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น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 ามาพิสมัยได้มีแก่สัตว์ประมาณ30โกรภิกษุ500สัตว์ที่มิหาริกของพระเถระตั้งอยู่แล้วในพระอาราธตอนสังกสานครเป็นที่เสด็จลงจากดาวดึงได้ยินว่าการทำย ม, มะกะปาฏิหารแล้วจำพัญษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่ประตูสังกสานคร อันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละแล้วแล่ก็สถานที่พระบาทเบื้องขวาประดิษฐานณนะที่เสด็จลงนั้นมีนามว่าอาจารยเจตยสถานพระศาสดาประทับยืนนะที่นั้นตรัถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นต้นพวกปุถุชน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 ไม่ได้มีในสมาคมนี้ขอพระองค์โปรดใคร้ครวญในสมาคมนี้ทีเดียวตอนพระสารีบุตรเทระมีปัญญามากพระศาสดาทรงนําริว่าสารีบุตรย่อมลำบากด้วยว่าเธอได้ฟังปัญหาที่เราถามแล้วในพุทธพิสัยนี้ว่าท่านผู้นิรุกข์เธอมีปัญญารักษาตน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 พระสารีบุตรว่าสารีบุตรเราก็ทราบความที่เธอสามารถนับได้ชื่อว่าอุปมาเปรียบด้วยปัญญาของท่านนั้นย่อมไม่มีเห็นนั้นแลท่านจึงกราบทูลว่าทรายในแม่น้ำโคงคาพึงสิ้นไปน้ําในห้วงน้ําใหญ่พึ่งสิ้นไปดินในแผ่นดินพึงสิ้นไปการแก้ปัญหา